ก็ขอมวนธนาพระโกเราทั้งหลายนะทั้งใจในการศึกษาพระธรรมกันตอนนี้ก็ศึกษาคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าในการศึกษาคำสอนของพระุทธเจ้าเนีย่ยตอนนี้เราศึกษาในเรื่องของ ส, สติปัฏฐานเดียวซึ่งจะถือว่าเป็นหลักปฏิบัติค่อนข้างที่ต้องใช้คำว่าเป็นข้อปฏิบัติ เพื่อจะเป็นปัจจัยในการพ้นจากวัาทุกข์อย่างนีที่เรโพูดไปพูดมาก็หลายๆท่านก็บอกเหม่อลุสึกไม่ง่ายเลยใช่ไหมหลายคนก็บอกโอ้โหการเจริญสติปัฏฐานเป็นเรื่องที่ถามว่าเป็นเป็นความจําเป็นไหมก็ต้องบอกเป็นความจำเป็นทีนี้ในความจําเป็นที่เราท่านทั้งหลายจะต้องมาศึกษาทําความเข้าใจนั้นก็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 ก็เป็นเรื่องที่เราก็จะต้องทำความเข้าใจที่จริงวันนี้เอกสารต่างๆที่เตรียมมา่อนข้างเยอะเมื่อคืนก็ดูสรุปในทางด้านของจิตารองปัิศนาค่อนข้างเยอะเตรียมเตรียมเตรียมหลักฐานเอกสารมาค่อนข้างเยอะทีนี้แต่ของโยมไม่มีเอกสารใช่ไถ้าอย่างนั้นก็ไม่เป็นไรถ้ายมปรารถนาจะคุยเรื่องศีลนะ เชื่อมเรื่องกุศลและีไม่ฟังกแล้วลทีนี้ถ้าคุยในะเรื่องของศีลก็ไปต้องไปทำความเข้าใจว่าเออถามว่าเป็นการลดระดับในการศึกษาในการฟังมาหรืไอไม่ไม่ใช่ลดเลยที่ไม่ใช่ลดก็เพราะว่าศีลสมาธิปัญญาใช่ไหมเป็นชื่อของสิกขาสาม ที่เราท่านทั้งหลายจะต้องทำความเข้าใจแล้วก็จะต้องเดินให้ได้นั่งกันนาที่นี้นที่ไม่เคยรับสีลไม่มีไม่มีด้วยแต่แต่อยากจะอยากจะอยากจะถามยริงๆว่าในชีวิตจริงเนี่ยกุศลศีลมันเกิดยังไงใชี่ไนะ ถ้าเป็นไปได้เนี่ยอยากจะให้มีคนอธิบายให้เอามาฟังนะครับแบบว่าเออในชีวิตจริงๆเนี่ยที่ว่ารักรักษาศีลกันเนี่ยเจริญศีลแล้วอบรมศีลเนี่ยจอไปรักษาศีลยังไงเจริญศีลยังไงแล้วอบรมกุศลศีลยังไงใช่ไหมก็ยังไม่รู้เลยว่าจริงๆเนี่ยเมื่อเมื่อเราจะรักษาศีลเจริญศีลอบรมศีลเนี่ยแต่ถ้าเราไม่รู้อจากศีลเนี่ยเราจะทํำยังไง อันนี้ระดับอย่างเราศึกษาอภิธรรมมากันกันเยอะแะนั่นนี่นนที่นั่งนั่งหลายหลายคนก็จบบัณฑิตเลยจริงๆลองลองพูดเรื่องเรื่องสีเนี่ยมาฟังสีนี่เป็นเป็ น, ปนสภาวะปรามาตัตหรือเป็นบัญญัติฮะสีนี่เป็นสภาวะปรามาตหรือสภาวะบัญญัติ เป็นปัญญิหรือเป็นปรมาสีนี่เป็นเป็นเป็นเป็นรูปหรือเป็นนามเป็นนามเลยอ๋อสีเป็นนามเนาะตรงนี้อะนะสรุปแล้วเนี่ยมานั่งมองหน้าเนี่ยน่าจะจริงๆอยยางโย่า น่าจะยังไม่สอบผ่านรับไปเรื่องสีเนึ่งงั้นก็ลองลองคุยเรื่องสีดูนะไม่ใช่ลองนะ้วคุยจริงๆคุยในเรื่องแต่ว่าต้องการอยากให้วันนี้ช่วงเวลาที่เราจะศึกษาเรื่องกุศลสีนเนี่ยนะใช้เวลาอาจจะประมาณตั้งสามสี่ชั่วโมงไปก็แล้วแต่คิดว่าถ้าใครตั้งใจจริงๆก็น่าจะเป็นรูปเป็นร่างออกมาได้ คิดอย่างนั้นนแล้วก็หวังอย่างนั้นทีนี้ถ้าหากว่าฟังไปแล้วถ้ากัรไม่เข้าใจเนี่ยถือว่าช่วยกันยากเลยเจ่าคะก็ก็เยไปฟังที่จริงตอนในช่วงนี้ทำไมถึงพูดเรื่องนี้รู้ไหมเนี่ยที่บันทึกมาเนี่ยอยู่ที่วัดเนี่ยนะคุยเฉพาะเรื่องศีลไปอย่างเดียวเนี่ยนะสี่ครั้งแล้วสี่ครั้งแล้ว ที่แรกนึกว่าจะหลายหลายคนก็จะวิ่งไปยอดสุดแล้วใช่ไหมเพราะกลับมาคุยกันเรื่องศีลผลปรากฏว่ามันหายหมดเลเนี่ยนะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่ที่จะต้องทาความเขา้าใจว่าในพระศ า, าสนาเนี่ยถ้าพูดถึงในด้านของบา ร, รมีธรรมเนี่ยนะในบา ร, รมีธรรมเหล่านั้นมีบา ร, รมีอยู่ข้อหนึ่งที่พระพุทธมศาสดาทรงบำเพ็บา ร, รมีก็คือว่าศีลบา ร, รมีใช่ไ ศีลบารมีเป็นบาลมีธรรมที่พระบรมศาสดาหรือพระโพธิสัตว์ทั้งหลายท่านทรงบำเพ็ญมาแล้วกรณีที่ศีรบารมีเนี่ยที่พระบรมศาสดาทรงบำเพ็ญมานั้นเน่ยก็จะเห็นชัดว่ารากของศีลรากของกุศลศีลนั้นมีเยอะโดยเฉพาะก็ต้องพูดถึงความไม่โลภความไม่โกรธและก็ปัญญาใช่ไหม ตรงนี้เป็นตัวสีโดยสรําไปเดี๋ยวเราจะไปศึกษากันในเรื่องของการศึกษาในมุมของเจตสิกสีเป็นต้นในคำภี์วิสุทธิมัติเวลาจะพูดเรื่องสีนเนี่ยต้องเอาคำภี์วิสทธิมัติมากล่าวมันถึงจะชัดเพราะท่านจะไปสรุปลงในสีและนิเทศท่านก็ยกท่านยกประเด็นเข้าไวน้นะที่จริงท่านตั้งประเด็นไว้หกข้อแม้พูดเรื่องสีแม้ถ้าหากสรุปไม่ได้เนี่ย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 ถามถึงตัวสภาวถ lens, asi, ทะถามถึงตัวองค์ธรรมถ้าถามถึงตัว nochmal, สภาวะและตัวองค์ธรรมเนี uu, <S <s ่ยมันก็ต้องถามต่อไปว่าสภาวะและองค์ธรรมนั้นคืออะไรก็คือถามถึงตัวศีลเลยตัวศีลที่กล่าวถึงในลักษณะว่าเป็นนามธรรมที่เรากล่าวกันว่าเจตนาเป็นต้นที่เรียกว่าศีลนั่นก็ถามถึงตัวองค์ธรรมถามถึงตัวสภาวะนะถ้าเราบอกว่าเราจะไปรักษาศีลก็เหมือนบอกว่า อโยอสนะมสานาโงบอกไปบอกไปทําอะไรบอกว่าจะไปปลูกข้าวเพราะบอกจะไปปลูกข้าวเนี่ยต้องรู้จักเมล็ดข้าวต้องรู้จักพันข้าวอยู่ไหมแล้วก็ต้องรู้จักในการที่เอาข้าวนั้นไปเพาะไปปลูกแล้วก็ไปหวานไปไปใส่ปุ๋ยเป็นต้นเหล่านี้ยแปลว่ามันต้องรู้จักตัวของมันอยู่ไหมจริงไหยโยมทุกคนเออมันต้องเป็นอย่างนั้นประการต่อมาชื่อว่าสีเพราะอัตว่าอะไรเป็นไป ก็หมายความว่าตรงนี้เขาถามถึงอัฏฐะอัฏฐะถามถึงความหมายของสีเลยนะถามถึงเนื้อความของสีเลยเข้าใจไหมประเด็นที่สองเนี่ยก็ถามถึงเนื้อความของสีเลยว่าอัฏฐของสีเนี่ยอะไรลักษณะของสีเป็นต้นเป็นอย่างไรประการที่สามก็คืออะไรเป็นวิเศ ส, สลักษณะคืออะไรเป็นลักษณะ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 ท่านถึงใช้คําว่าจริงๆถ้านมาใช้ศัพท์เนี่ยอะไรเป็นวิเศษลักษณะก็แปลว่าอะไรเป็นลักษณะของสีวิเศษลักวิเศษะคําว่าวิเศษะลักษณะเนี่ยคือลักษณะเฉพาะตัวเนี่ยคือลักษณะเฉพาะตัวซึ่งต่างกันกับสามัญลักษณะยอมเลยนั่งท้ายเลยว่าไม่ค่อยไว้ใจเลย เข้าใจคำว่าวิเศษลักษณะไหมเข้าใจคำว่าปัจจตลักษณะไหมอยูเข้าใจลักษณะเฉพาะตัวไหมลักษณะเฉพาะตัวลักษณะเฉพาะตัวก็คือว่าเอาสมมติว่ายนตสวรรค์โอหงมีลักษณะเฉพาะตัวอย่างไรไมนจะมีลักษณะใช่ไหมเช่นหนึ่งลักษณะอย่างไงใช่ไหมจิตของยนสวรรค์โอหงวันวนหนึนนน่งทํากิตอะไรแล้วก็ผล ที่เกิดขึ้นจาการกระทํานั้นเป็นอย่างไรแล้วอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้โยมสุภะนหงทํางานอย่างงี้นะนี่เขาเรียกลักษณะเฉพาะตัวของโยมสุภะนหงศีลก็ต้องมีลักษณะเฉพาะตัวของเขาคือลักษณะหน้าตาก็เป็นอย่างไรเห็น ไ, ไหมแล้วก็กิจกิจคือกรณีที่ศีลเกิดขึ้นมาเขาทากิจเขาทาการงานเขาทาหน้าที่อย่างไรหรือผลที่เมื่อศีล น, นั้นทําหน้าที่เสร็จแล้วผลหรืออาการปรากฏของศีลนั้นมันเป็นอย่างไรเข้าใจไหม แล้วเหตุการณที่ชาวทำให้คุณรศรสีนั้นเดินจะทําให้คุณรศรสีนั้นเกิดนั้นเป็นอย่างไรนั่นต้องชัดอย่างนี้ถ้าไม่รู้อย่างนี้นะลําบากใช่ไหมอาจําเป็นไหมถ้าสมมุติว่ายงมงคลจะถามบอกว่าเออเออช่วยไปพกคนคนหนึ่งหน่อย เ, อเขาชื่อว่านายนายนายดำนะ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 ถ้ารู้อย่างนี้แปลว่าเราหาใจอแต่ตอนเนี้ยทังคมไทยเนี่ยญาือวันนะผมหาสีไม่เจอไอ้นั่งรับสีกันนี่แหละแต่หาไม่เจอหนึ่งไม่รู้จักสีสองไม่รู้จกักไม่รู้ไม่รู้จักลักษณะของสีไม่รู้จักกิจของสีแล้วก็ไม่รู้จักอาการปรากฏว่าสีมันเกิดขึ้นมาแล้วมันทําอะไรเกิดขึ้นแล้วก็ไม่รู้เหตุใกล้ของสีนี่คืออะไร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 พอไปเติมก็เลยเติมแบบก็ห้องก็แฝงอีกอันนี้ก็เลยเป็นประเด็นเลยประเภทที่เรียนจบแล้วทํางานไม่ได้จีเข้าใจไหมเรียนจบทํางานไม่ได้าจบมหาเอีกแล้วเดินกรรมฐานไม่ได้นี่เขาเรียกัเรียนจบแล้วทํางานไม่ได้ใช่ไหมจบจบอวิชาแล้วอย่างเงี้ยจบภาวินัยแล้วเนี่ยจบพระสูตรแล้วเนี่ยแต่ทํางานไม่ได้ เขาว่าทางานไม่ได้ในที่นั้นก็คือเดินเข้าหาศีกขะสามไม่ได้แล้วก็จเจริญตามศึกษะสามไม่ได้อันนี้เป็นเป็นปัญหาใหญ่ไหยเอาย่อปัญหานั้นมาให้เล็กในกระแสขันของเราส่วนปัญหาของสังคมภายนอกเก็บไว้ก่อนมันเป็นงานหนักไปใช่ไหมตอนนี้ก็คืออะไรแต่ละบุคคลที่นั่งอยู่เนี้ก็เก็บเกี่ยวความเข้าใจให้ชัด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 ได้พาเข้าถึงความเข้าใจได้ไหมไม่ได้แต่และคนต้องช่วยตัวเองแล้วนะนี่ทุกคนมาถึงตรงนี้แล้วใช่ไหมถ้าเราจะมามาตั้งหลักโดยนี่ว่าฟังแบบเพลินๆ เ, เดี๋ยวเราจะไม่ได้ต่อนละเอาใช่ไหมไม่ชีดีไหมตั้งหลักอย่างเงี้ยดีเนาะอเอาแต่นี้ก็คือว่าถึงอะไรเป็นลักอะไรเป็นวิเศษลักษณะคืออะไรเป็นลักษณะเฉพาะตัวเขาเรียกว่าปัจจตรลักษณะกับอัพคือศีลเนี่ยเป็นสามัญลักษณะได้ด้วยไหม อย่างไรตัวศีลคือตัวเจตนาคือตัวเจตสิกคือตัวสังวรและตัวความไม่ก้าวร่วงก็คือเป็นกลุ่มนามธรรมสรุปก็คือเป็นกลุ่มของนามธรรมอ่ะเวทนาสัญญาสังขารมีญาณเกี่ยวกับเรื่องของจิตใจฉะนั้นในด้านของจิตใจในด้านของธรรมที่เกิดร่วมกันกับจิตใจทั้งจิตและเจตสิก ท, ที่เป็นศีลเนี่ยนะนี่เราก็เริ่มมาดูแล้ว ว่าในกลุ่มของสภาวธรรมเหล่านี้ตอนนี้เราต้องการดูลักษณะของศีลดูกิจของศีลดูอาการปรากฏของศีลและดูเหตุใกล้ของศีลแต่ต่อไปจะไปทําความเข้าใจตรงนะั้นเขาเรียกว่าวิเศษลักษณะและวก็กิจรสสัมปติรสอุปทานะอุปทานอาการหรืออาการที่ปรากฏผลปรากฏเนี่ย น, นะแล้วก็ประทัดฐานเขาเรียกว่าอาศนาการณนะอาศนากา ร, ะ ก, าระก็แปลว่าเหตุใกล้ เหตุกล้ของศีลอันนี้ท่านท่านต้องรู้ว่าศีลนั้นมีทั้งสามมัญลักษณะและก็ปัจจัยลักษณะแต่ในที่นี้เราจะมาศึกษาในเรื่องของลักษณะเฉพาะตัวประการที่สี่อะไรเป็นอา น, นิสงค์ของศีลเพื่อประโยชน์ต่อการปฏิบัติในศีลนะเหตุการ์จะศึกษาเรื่องศีลอยูยสุภะโหงจะเป็นต้องรู้อา น, นิสงค์ mm hmm. เพื่ออะไรใช่ไหมต้องรู้อา น, นิสงค์ mm hmm. ถ้าไม่รู้อา น, นิสง์ถ้าไม่เห็นอา น, นิสงถ้าไม่เข้าใจอา น, นิสง์เราอยากจะปฏิบัติในศีลไหม <Yeah. S 1> ไม่อยากจะเลินศีลไม่อยากอบรมศีลเนาะสรุปแล้วก็คืออา น, นิสงต้องทราบอันนั้นก็มีขั้นตอนต่อไปขั้นตอนสุดท้ายขั้นตอนที่หกเกี่ยวกับในเรื่องของคําว่าเออไม่ใช่ขั้นตอนที่ห้าอะไรเป็นสังกิเลตคือเหตุความเศร้าหมองของศีลไอ้ความเศร้าหมองของศีลเนี่ย ถ้าถามว่ากิเลสสังกิเลสคือกิเลสที่เป็นตัวคอยบั่นทอนเป็นครัวคอยทำให้ตัวศีล น, นั้นอ่ะเดินได้ไม่สะดวกเห็นไหมต่อไปเราจะไปศึกษาเรื่องตัวโลภะตัวโทสะตัวโมหะใช่ความเกลียดค้าเนี่ยความไม่ควรต่อการงานกลุ่มอกุศลทั้งหลาย ว่าอากุศลธรรมต่างๆล่านี้มันมันคอยตัดรากของศีลอย่างไรมาคอยทําให้ศีลไม่เจริญงอกงามอย่างไรเนีย่ยที่นั่งๆกันอยู่เนี่ยโดนไอสังกิเลตเนี่ยคอยตัดรากของศีนมากันอย่างยาวไกลแล้วในสังสารวัตรและในปัจจุบัติภพเนี่ยเหมือนเคยบอกบ่อยๆว่าท่านนั่งอยู่อย่างนี้ถ้าเกิดการเม่ฉันท้าขึ้นมาเกิด พยาบาทขึ้นมาเกิดถีนนนิทาเกิดอุทะจักกูกุจัเกิดวิจิปิชาขึ้นมาแต่ว่าตอนนั้นศีลเดินเดินหรือไม่เดินหน้าศีลไม่เดินแล้วอันนี้ก็ต้องรู้ตัวว่าถ้าเราจะมาศึกษาคําสอนเนี่ยเอางี้นะถ้าโยมเนี่ยนั่งฟังแบบอกุศลเนี่ยตอนนั้นโยมไม่มีฐานที่จะฟังกระทำแลนวให้รู้ตัวเลยว่าสุดแล้ว เพราะศีลไม่เกิดไม่เหมาะไม่เหมาะสมแก่การที่จะทําใจให้เป็นภพเอกภาชนะรองรับพระธรรมเทศนาซึ่งเป็นภาวนาอุลนมบทได้เลยมองเห็นหรือยังว่าจริงๆในขณะที่เราเราฟังพระธรรมไปนี่แหละก็ปล่อยให้บาปอุปสมบทธรร ม, มันลามกมันคอยตัดรอนอยู่ตลอดเวลาอย่างนี้ถ้าอย่างนี้เขาเรียกว่าภาชนะคือจิตใจของเราท่านทั้งหลายนั้นน่ะ เป็นภาชนะที่ไม่ดีแล้วใช่ไหมโยมทุคลอันนั้นก็เรื่องสังเลตพึงรู้ประโยชน์ต่อวัวชานคือเหตุของแพ่วของศีลดังนั้นด้วยว่าไรเป็นเหตุแห่งความแพ่วและความบริสุทธิ์ของศีลทั้งหกประการเหล่าเนี้ยเป็นปัญหาของศีลปัญหาในที่นั้นคือตั้งตั้งปัญหาเป็นคําถามแต่คําถามลักษณะนี้ท่านจะตั้งในฐานะเป็นปเกษตรุก ร, ร์มยาตาปุจฉา ถามเพื่อต้องการจะตอบเองถ้าถามบอกว่าอะไรคือสีเนี่ยถ้าถามพวกเราก็จบเลยจบไหมท่านถึงบอกว่าเวลาการแสดงคําสอนเนี่ยท่านตั้งเอ ง, ง ต, ง อ, งงตอบเองเหมือนพระพุทธเจ้าที่ท่านเรียนแบบพระพุทธเจ้าเนาะเวลาท่านพุทธพระพุทธโกษาจารย์เนี่ยท่านตั้งมีต่อไปก็คือถ้าบาลีท่านใช้คําว่ากินสีหลังแปลว่าอะไร อิงนะ่ยคืออะไรใช่ไหมอิงสีลังก็คื อ, อ, อนั่นแหละก็คืออะไรคือสีนอะไรคือสีนอันนี้ถามถึงองค์ธรรมของสีเดี๋ยวนี้กระจับประเด็นองค์ธรรมของสีให้ชัดก่อนคําตอบก็คือว่าเจตนาเป็นต้นชื่อว่าสีนคือเจตนาเป็นศีน เจตสิกหกตัวเป็นศีลแล้วก็สังวรคือการสังวรก็เป็นศีลสังวรห้านี่นะอวิติกรรมะคือการไม่ก้าร่วงก็เป็นศีลนี่จะประเด็นให้ได้ห้าประการนี้ก่อนนะนี้เจตนาก็ได้แก่ว่าทมทั้งหลายมีเจตนาเป็นต้นของบุคคลผู้มีวิรัติอยู่ด้วยนั่นการสมาทานคือการงดเว้นได้ แล้วก็ด้วยการสมาทานสีเไว้และสัมปติวิรัติก็การงดเว้นได้โดยการมีองค์ธรรมที่พึงจะเว้นที่มีสัตว์เป็นต้นนำมาปรากฏเฉพาะหน้าเป็นต้นอะไรเนี้ยนะนั้นพูถึงในด้านของเจตสิกสีนตรงนี้ก็คือว่าท่านบอกว่าเจตนาเป็นศีนวิรัตก็เป็นศีลวิรัติมันมีสองส่วนสมาทานวิรัตกับสัมปตาวิรัต สัมปตาวิรัสมาทานวิรัติก็คือเป็นเกี่ยวในเรื่องของการสมาทานในกรณีที่มีความปรารถนาที่จะงดเว้นยังไจากบาป ท, ทั้งหลายทางกายทางวาจาและทั้งใจอันนี้เขาเรียกว่ามมชาสมาทานสิงสี้ยไหมยงฮะโอชีวิตในประมาทจั ง, ม ส, งสมาทานเอง ท้านสมาทานถึงก็ใส่พูดเรื่องนี้ถ้าจะไม่ผิดจะได้เลยจริงๆนะนะพูดถูกแล้ ว, ลวเฮ <c oughs> ้ยยังหวานเวีนท่าก็สององค์เลต้องห้องมารวมค้าเลยคามาสอง ไม่ใช่ของไม่ใช่ไม่ใชาพระก็บอกผมก็ไม่รู้เหมือนกันนยยวงนี่ตรงเนี้ยไอมาไม่ไม่แปลกใจเลยว่าทำไมความเข้มข้นของพวกเรายังไม่ค่อยแข็งแรงในด้านศีลเชื่อว่าเรายังไม่เข้าใจศีลถ้าวันใดนี้มันหนึ่งเรามีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในกุศลศีลนะ จากนี้ต้องมีใครบอกรอมโดยหัวเห็นมากจะมีความรักมากยอมรักลูกตาของยมสองข้างยอมรักนะยอมองค์รักมากไนะถ้ามันจะเสียขึ้นไปนี่ถือว่าเป็นความเสียหายมากไหมเชื่อไหมศีลสาคัญกว่าตาสองข้างแต่ตอนนี้ยมมงค์ยังมองไม่เห็นถ้าวันใดได้เห็นขึ้นมายมมอมงคลจะห่วงศีล ม, มากกว่าลูกตาสองก แต่ตอนนี้มันยังไม่ชัดมันยังฝ้าฟางในความความเข้าใจแต่ถ้าวันใดวันหนึ่งนี่ยมันจะห่วงมากเพราะศีลสําคัญกว่าตาสองข้างศีลสําคัญกว่าหูสองข้างศีลสาคัญกว่าจมูกสําคัญศีล ส, สาคัญก็าปากศีลสําคัญก็ากายและศีลสําคัญกว่าใจที่มันไม่มีศีลเนี่นยศีลเป็นถามว่าสัมมาสัมโพธิสัจญานได้มาเพราะศีลใช่ไหม นืสัมมาสัมปวียาณถ้าสีไม่เต็มจะมีสัมมาสัมปวียาณไหมเห็นไหมฉะนั้นการบรรลุของภาษ า, ษาริีบุตรตัโมโมกาลานาเป็นต้นเหล่าเนี้ยที่เป็นอาัคาระสาวกเบื้องขวาเบื้องซ้ายเนี่ยท่านเหล่านั้นก็ได้มาเพราะสีใครก็แล้วแต่ที่จะแทงตลอดอริยสัตว์ดับวัฏทุกเป็นต้นเหล่าเนี้ยท่านเหล่านั้นล้วนเป็นผู้มีสีไม่มีใครทุ่มสีทุกคนน ฉะนั้นะปฏิปทาอย่างการที่จะพ้นทุกนั้นนะ่ะต้องมาได้จากการมีความรู้มีความเข้าใจในศีลไม่ใช่มาจากความไม่รู้อันนี้ด้วยการที่เรายังไม่รู้นะ่ะมาไม่แปลกใหญ่ถ้าไปบอกว่าไม่รู้เนี่ยเดี๋ยวเราก็จะน้อยใจอีกใช่ไหมก็เราไปรับศีลตลอดเนี่ยนะก็อย่างที่บอกไงว่ามันไม่ชัดมันไม่สําคัญมันยังไม่เห็นความสําคัญว่าศีลสำคัญกว่าตายอย่างนี้มาว่า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 ถ้าสรุปตรงนี้ก่อนเนี่ยก็คือเป็นคุณธรรมที่เกิดขึ้นในใจเพื่อจะยังกายวาจาไม่ให้ทําบาปมีการฆ่าการลักการประพติผิดในกางการพูดเทเ็จติดต้นและเพื่อจะยังจิตใจนั้นไม่ให้โลกไม่โกรธและมีปัญญาเกิดขึ้นตรงนี้แหละถ้าสรุปออกมาตรงนี้ก็คือว่าตัวกูโซลศีจะเป็นแบบนั้นแต่ต่อไปขยายประการแรกได้อบอกว่าเจตนาเนี่ยเป็นศีล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 เจตนานี่เป็นสังขารละขันธ์เห็นไหมพอพูดถึงตัวเจตนาสีเนี่ยไม่ใช่เรื่องเล็กแล้วจริงไหมโยมมงคลเพราะเจตนาตัวสภาวธรรมเหล่านี้เป็นสภาวธรรมที่เกิดในใจนี่ของโยงมมงคลไอ้เจตนาตัวเนี้ยทากิจในการจัดแจงเขาจัดแจงอะไรถามว่าผัสสะเกิดร่วมกับเจตนาไหมเขาก็จัดแจงว่าผัสสะ จัดแจงเวทนาจัดแจงสัญญาจัดแจงสังขารแล้วก็จัดแจงวิญญาณสภาวะทำต่างๆที่เกิดร่วมกันเอาเธอดูในตัวกุศลจิตใช่ไหมเราเรียนกุศลมาแล้วใช่ไหมตัวกุศลจิตที่เกิดขึ้นน่ะกุศลจิตุบา ท, ที่เกิดขึ้นน่ะในนั้นมีเจตนาอยู่ทีนี้เจตนาเหล่านั้นทํากิจทำกิจในฐา น, นะเป็นตัวจัดแจงจัดแจงก็แล้ว จะแจงภาษาให้ทําจิตในการกระทบอารมณ์จะแจงเวทนาให้ทําจิตในการเสวยรสของอารมณ์จะแจงสัญญาให้ทําจิตในการจําอารมณ์จะแจงสังขารให้ทาจิตในการปรุงแต่งอารมณ์ไปในทางที่ดีคือความไม่โลภความไม่โกรธเป็นต้นแล้วก็ปัญญาเป็นต้นแล้วก็จะแจ้งเกี่ยวในเรื่องของวิญญาณในทําจิตในการรู้อารมณ์ฉะนั้นสภาวธรรมต่างๆเหล่านี้ที่เกิดร่วมกันกันกบเจตนานั้นน่ยจะทําจิตต่างๆ เหล่านั้นได้ก็ได้การอนุเคราะห์ด้วยการอนิจจุอนุบุญของเจตนาเหล่านี้เริ่มเห็นไมเดยวนี้ยากไหมยากไหมเอายกตัวอย่างเป็นเป็นเรื่องรักเป็นราวดีกว่าทีนี้ถ้ามีความตั้งใจว่าจะรักษาสิ่อันนี้ยกตัวอย่างมาแนะนะ ก่อนที่จะยกตัวอย่างที่เล็กไมน้อยก่อนก่อนแล้วก็จะค่อยๆเดินไปเนี่ น, นะกรณีที่ยอมสุภานะโงมีจิตคิดจะรักษาศีลก็สมาธิไอเจตนาที่ตั้งใจว่าจะรักษาศีลเนะ่ะไอตัวเจตนาในใจของโยมมันก็จัดแจงจัดแจงนามธรรมา ท, ทั้งหลายเหมือนชักชวนนามธรรมา ท, ทั้งหลายเอาศรัท ธ, ธาใช่ไหมให้มีความเชื่อความเลื่อมใสในคุณของพระเจ้าอาวิริยะ ให้ทํากิจในการประคับประคองกุศลนี้มีความตั้งมั่นอสติให้ทํากิจในการที่จะระลึกในการที่จะตรวจสอบใช่ไหมระลึกถึงกายที่ทําคําที่พูดจิตที่คิดในขณะนั้นและในหลังนั้นเป็นต้นแล้วก็จัดแจงสมาธิให้มีความตั้งมั่นไม่ไหวั่นไหวแล้วก็จัดแจงปัญญาเพื่อทำกิจในการวิจัยว่าธรรมะที่ละศาสนาไอ้ตัวเจตนาก็ขึ้นมาไหน พจนามเบสิกละนี้ก็เข้าใจว่าตัวศีลเป็นกุศลเจตนาที่เป็นกุศลเหล่าเนี้มันก็จะมีการเพราะเมล็ดพันธุ์โดยการที่จะให้ผลจเจริญงอกงามต่อไปพอจัดแจงในลักษณะนี้ถามว่าศีลเกิดที่ใจแล้วต่อมาก็มาจัดแจงกายวาจาให้มีความเรียบร้อยให้ตั้งมั่นได้ดี